ดีมากครับครับพีสังครับครับพีมนุษ์อาจารย์ครับครับแม่นี่สําคัญสําคัญเลยมีสามหัวข้อสิครับเชินอนแม่เนี่ยต้องบอกว่าสําคัญกว่าทุกสิ่งครับเพราะว่าถ้าแม่ดีลูกดีครับถ้าลูกดีโลกดีโอเป็นอย่างนี้เกี่ยวข้องกันหมดแม่ลูกโลกชครับถ้าแม่ดีได้ลูกดี ถ้าลูกดีเราจะได้โลกดีเพราะฉะนั้นงานเลี้ยงลูกของแม่เนี่ยเป็นงานสำคัญกว่าการปั้นพระของศิลปินอา ต, ตมาภาพใช้คาว่างานเลี้ยงลูกของมารดาสำคัญกว่างานปั้นพระของศิลปินเพราะว่าศิลปินถ้าเขาปั้นพระพพุทธรูป ข, ขึ้นมาองค์หนึ่งเอาไปประดิษฐานไว้ที่นโนนที่นี่ก็มีคนไปกรการบเยอะแยะแต่ว่าคนศาสนาอื่นเขาอาจจะเฉยๆกับพระพุทธรูปก็ได้ ดังนั้นเราจะเห็นว่าถึงแม้ศิลปินจะปั้นพระที่สวยงามไงก็ตามครับเอมันจะมีขีดจํากัดในการเคารพอืครับแต่ว่าถ้าแม่เลี้ยงลูกให้เป็นยอดคนขึ้นมาได้คนหนึ่งนะยอดคนคนนั้นล่ะจะได้รับการยกย่องสรรเสริญทั่วโลกครับนี่ลึกจริงเรียกว่างานเลี้ยงลูกของมารดาสําคัญกว่างานปั้นพระของศิลปินยกตัวอย่างง่ายๆครับเช่นพระพุทธเจ้าคครรัับบเป็นผลจากการเลี้ยงดูของพระพุทธมารดา พอพระองค์ท่านเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างนี้พอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยคนนับถือทั่วโลกออืมไม่มีพรมแดนไม่มีพรมแดนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์29ราชวงศ์ทั่วโลกครับมาร่วมงานของพระองค์ท่านรพระกุศลการ์อย่างนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นในโลกครั บ, รบเห็นไหมว่าการที่พระองค์ประสบความสําเร็จในฐานะพระมหากษัตริย์ก็เพราะมีพระบรมราชชนนีครับซึ่งเดี๋ยวจะขยายความครับ แล้วอีกแม่หนึ่งที่มีผลงานสร้างสรรค์ที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมคือยมแม่ของท่านพุทธทาสท่านพุทธทาสเนี่ยเป็นคนของโลกแต่ถ้าไม่มียมแม่ของท่านโลกไม่ได้รู้จักนามพุทธทาสนี่แหละถ้าแม่ดีได้ลูกดีถ้าลูกดีได้โลกที่ดีครับครับเป็นเรียกได้ว่ามารดาของสามหาบุรุษนะครับให้พระจากขยายความสักเล็กน้อยคมเป็มารดาจากมหาบุรุษแรกเจริญพร มารดาของทั้งสามหาบุรุษนี่เลี้ยงลูกยังไงก็แล้วกั น, กนเอาง่ายๆเลยอย่างอย่างมารดาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยมี ม, มีมีพระมารดาเรียกว่าสองพระองค์ครับคือพระองค์แรกเนี่ยพอมีพระประสูติการเสร็จแล้วภ า, ายในเจวันก็เสด็จที่วมโคตรก็ไปประสูติบนสวรรค์จากนั้นก็มีพระพุทธมารดาองค์ที่สองก็คือพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็ได้บำรุงเลี้ยงดู เเจ้าชายตอนนั้นยังเป็นเจ้าชายเสียท่านถาอย่างดีที่สุดถึงขนาดที่เรียกได้ว่าดีกว่าลูกตัวเองก็แล้กันเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเนี่ยไม่ว่าจะในตอนเป็นเจ้าชายตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามรพระพุทธเจ้าได้ทําหน้าที่ต่อโลกอย่างเลที่สุดอันนี้เรียกว่าถ้าไม่มีพระพุทธมารดาไม่มีพระพุทธเจ้าครับแต่ประวัติศาสตร์มักจะไม่พูดถึงพุทธมารดานะเพราะว่าพอเสด็จที่มงคลแล้วเงียบไปเลยอแต่แท้ที่จริงถ้าไม่มีพุทธมารดาโลกไม่มีพระพุทธเจ้า การเป็นพุทธรรมดาเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากอเพราะกฎประการหนึ่งของคนที่จะเป็นพุทธรรมดานะมีอยู่ว่าผู้ที่จะเป็นพุทธรรมดาเนี่ยเมื่อมีพระประสุติการพระราชโสแล้วภายในเจ็ดวันจะเสด็จที่องคตออเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนั้นอันาัดดมาเราจะถามว่ามีแม่คนไหนอ่ะกล้าตายเพื่อให้ลูกรอดนะ่ะอื ม, มีไหมกล้าตายเพื่อให้ลูกรอดแล้วยินดีด้วยนะถึงแม้จะไม่ได้อยู่ดูความสําเร็จของลูกนะ แต่แม่ก็ยินดีที่จะแบกรับพาระอันใหญหลวงนี้ไว้เพราะฉะนั้นพอพระพุทธเจ้ตาตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพธิญานเป็นพระพุทธเจ้านะครับสิ่งแรกหรือเบื้องต้นเลยที่พระองค์ทำคือเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาก่อนในสงสวรรค์ในสงสวรรค์ในในพรรษาที่7ในโลกเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาครับพอไปโปรดเสร็จแล้วกินเวลาสมเดือนครับพอสิ้นสเดือนแล้วพระองค์ก็เสด็จลงมาวันที่พระองค์เสด็จลงจากกันพระพุทธมารดาเราเรียกกันว่าว oh ันเทโวโรหณะ ครับอ๋อ oh, ที่ตักบาตรเทวเบอร์นะพอที่เราตักบาตรเทวคบคนส่วนใหญ่เวลาถึงวันตักบาตรเทวะก็จะคิดถึงข้าวสารอาหารแห้งครับแต่อัตมาคิดว่าวันตักบาตรเทโวะโรหนะเนี่ยนะอัตมาคิดว่าวันนั้นเป็นวันกัตัญญูแห่งโลกเพราะเป็นวันที่ลูกคนหนึ่งขึ้นไปทดแทนค่าน้ำนมต่อแม่ครับแล้วเสด็จกลับลงมามีนักศึกษาถามอัตมาว่าพระอาจารย์สวรรค์นี่มันจะมีจริงหรือใช่ไหมอัตมาบอกว่าเธออย่าไปสนใจเรื่องสวรรค์มีจริงหรือไม่จริงสิ เธอควรจะสนใจคติที่จะได้จากเรื่องนี้นั่นก็คือถึงแม้พระพุทธมารดาอยู่โลกหนึ่งพระพุทธเจ้าอยู่โลกหนึ่งแต่ความต่างกันคนละโลกเป็นอุปสรรคต่อการที่ลูกคนหนึ่งจะไปกระตันอยู่ต่อแม่ไหมใช่ไหมประเด็นนี้สําคัญเพราะคนไทยส่วนใหญ่หรือใครก็ตามเนี่ยอยู่กับพ่อกับแม่ห่างกันแค่ฝาห้องกันเท่านั้นเองเคยแว้เข้าไปดูอ่ะแม่นอนยังไงแม่รับประทานข้าวอร่อยไหมเคยให้ไปดูหรือเปล่า ห่างกันแค่ฝาห้องกัเก้านั่นเองอถ้าไม่ดูไม่แลเลยบางทีอยู่ใกล้กันนิดเดียวโทรศัพท์ไปหาหมอืมห่างกันแค่ชั่วยกหูโทรศัพท์ถึงเรายังไม่เคยมีเวลาให้พ่อให้แม่เลยอืแต่พระพุทธเจ้าเนี่ย อ, อยู่คนละโลกนะคนละภพกันเลยคนละภ พ, พแต่คว า, ามต่างหในภพเป็นอุปสรรคสำหรับการตอบแทนพระคุณแม่ไหมไม่เลยไม่เลยอันนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นมหาบุรุษเป็นมหาบุรุษเพราะหนึ่งเป็นพุทธเจ้าสองเพราะเป็นลูกยอดกระตันอยู่ครับ ทีนี้เราไปดูแม่ที่สองนะแม่ที่สก็คือสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือที่เราเรียกว่าสมเด็จย่าคนไทยเรียกว่าสมเด็จย่าสมเด็จย่านั้นเป็นเป็นพระบรมราชชนนีที่สอนในหลวงตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เรียกว่าลมหายใจของพระองค์นั้นคือการสอนลูกให้เป็นลูกที่ดีที่สุดพอพระองค์สอนลูกให้เป็นคนดีเราได้พระมหากษัตริย์ที่ดีครับพอพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ดี โลกได้พระมาหากษัตริย์ของโลกที่ดีอมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งดูเหมือนจะเป็นทไทม์เลออะไรน์ก็แล้วแต่แต่มาภาพจํำชื่อไม่ได้ครับเขาบอกว่าเพราะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นพระมาหากษัตริย์ที่ทําให้แนวคิดเรื่องพระมาหากษัตริย์ในเทพนิยายกลายเป็นความจรงิงอนี่ไทม์ตัวย่องไว้ครั บ, ค, รบคือในเทพนิยายเราจะมีพระมาหากษัตริย์ที่ดีเลิศประเสริฐสีแต่ว่าสัมพันธ์กับประชาชนได้น้อยอแต่มาดูพระมาหากษัตริย์ไทยสิคนไทยรักมากเลย ดูอย่างช่วงที่พระองค์ทรงเข้ารับการรักษาพยาบาลประชวนใช่ไหมครับมีคนไทยจํานวนน้อยที่ไปนอนเฝ้าครับแล้วก็รู้สึกผูกพันกันเหลือเกินแต่คนไทยพูดถึงในหลวงเนี่ยขอให้พระองค์ท่านหายป่วยพูดเหมือนกับในหลวงเป็นญาติผู้ใหญ่เลยนะไม่มีราชาศัพทบอันนี้เรียกว่าความรักที่คนไทยมีต่อในหลวงเนี่ยเป็นความรักที่ท่าลายชนชั้นคือรักจริงๆรักจากหัวใจจริงๆถามว่าเบื้องหลังการที่พระองค์ได้รับความรักจากคนไทยทั้งชาติอย่างนี้เพราะไทย ก็เพราะว่าพระบรมราชชนนีในพระองค์นั่นเองอมีพระราชอุปนิสัยบางอย่างที่พระบรมราชชนนีถ่ายทอดผ่านมายงพระองค์ท่านครับคือเรื่องของความประหยัดพระองค์ท่านนีจะจะสอนพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่ให้ประหยัดเงินทุกบาททุกสตางค์ต้องใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วพอตกมาถึงในหลวงในหลวงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประหยัดที่สุดในโลกนะฉลองพระองค์อยู่ที่ทรงยาวนานที่สุดในโลกนะ ในโลกก็ว่าได้เพราะพระมหาการสัตว์องค์อื่นคงไม่เป็นอย่างนี้นะส่วนของพระองค์ตัวหนึ่งอนี่ยสิบสองปีไปสิบสองปีประหยัดนะมครับอย่างดินสอเนี่ยท่านผู้หญิงบุตรีวีร่ไวยทยะเนี่ยเล่าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเบิกทรงทําเรื่องขอเบิกดินสอนะปีหนึ่งหนึงสิบสองแท่งคิดดูประหยัดไหดืนละแท่งเดือนละแท่ ง, ลทงแล้วใช้จนด้านกุดเลยนะด้านกุดยังต่อได้อีกนะยังเอาปลอก ถามว่าอย่างนี้พระองค์ประหยัดถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นพระองค์จะทําไหมคนไทยเป็นตัวอย่างดูเลยว่าเนี่ยพระองค์ประหยัดขนาดนี้นะเอาคนไทยก็ชื่นชมพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประหยัดที่สุดในโลกแต่แท้ที่จรงิงคนที่ประหยัดที่สุดในโลกก็คือสมเด็จยา่าสมเด็จยา่าเพราะว่าพระองค์ถาทอดพระคุณและสมบัตินี้มาจากสมเด็จยา่าเราจะเห็นได้ว่าแม่เป็นตัวอย่างยังไงเราก็จะได้ลูกที่เป็นอนุสาวรีของแม่อย่างนั้น เพราะฉะนั้นถ้าเราคนไทยรักในหลวงเนี่ยเราต้องรักรักไปถึงสมเด็จย่าด้วยครับเพราะนั้นนะคือเบื้องหลังของพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกพระองค์หนึ่งครับนะฮะความสําคัญของแม่ใช่ครับซึ่งพูดถึงฤๅษีประหยัดเมื่อกี้ก็เหมือนกับที่พระอาจารย์เคยมาเทศน์ให้ฟังนะเรื่องเรื่องหยาดีฟันหยาดีฟันนะฮะโหนี่ดีมากนะฮะดีมากนะเบื้องหลังของมหาบุรุษนะครับ ประมาณดานี้สำคัญยังเหลืออีกหนึ่งมหาบุรุษนะครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันนะครับคผู้ชมครับตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังอีกหนึ่งมหาบุรุษกับสักครู่เดียวครับครับช่วงนี้มาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ต่อนะครับครับผมเม่ี้คุยไปแล้วสองพระมารดาของสองมหาบุรุษถูกต้องครับเหลืออีกหนึ่งพระมารดานะครับก็อีกหนึ่งมารดาอีกหนึ่งมหาบุรุษก็คือโยมมารดาของท่านพุทธทาสพิโค ครับโย ม, มานาของท่านพุทธทาสทิขูดเนี่ยชื่อแม่เคลื่อนอนำสกุลพานิชย์ที่บอกว่าท่านเป็นมหาบุรุษก็เพราะว่าปีเนี้เป็นปีที่ยูเนสโกยกย่องให้ท่านพุทธทาสเป็นบุคคลของโลกครับเรามีการเฉลิมฉลองสองปีคือปีนี้แล้วก็ปีหน้าครับการที่ท่านพุทธาทาสทิขูจากพระป่าธรรมดาธรรมดาแล้วก็อยู่จังหวัดชายขอบไปคืออยู่สุรา ธ, ธานีครับ อ่านพระไตรปิฎกด้วยตัวเองเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง<ม>เรียนจบแค่ชั้นมัธยมปีที่สอง<ม>เรียนนักธรรมชั้นเอกแล้วก็บาลีก็ไม่ถึงปริญญาเก้าแต่แค่ชั้นปริญญาธรรมสมประโยคเท่านั้นเองแต่เชื่อไหมว่าภูมิปัญญาของท่านพุทธท่านเนี่ยไปเวทีโลก<ม>ในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกหลายมหาวิทยาลัยอาจจะบอกได้ว่าทั่วโลกที่เขาสอนเรื่องศาสนาแล้วก็ปรัชญา<ม>เขาจะต้องมบอยู่คําสอนของท่านพูทตท่าน<ม>เป็นหนึ่งในชิ้นงานสําคัญที่นักศึกษาจะต้องได้อ่านกันของโลกเลยของโลก เพราะฉะนั้นชื่อเสียงของท่านเนี่ยไปในเวทีโลกแล้วก็แน่แปลกว่ายิ่งท่านมรณภาพห่างออกไปกี่ปีก็ตามชื่อเสียงของท่านกลับดังมากขึ้นเป็นทวีตรีคูณครับครับทั้งทั้งที่ถ้าเป็นคนทั่วไปพอลุ่มลับหลับขันไปน่าจะหายนะแต่ท่านพุทธทาสไม่ใช่ทำไมครับยิ่งหายไปกับยิ่งโด่งดังการที่ท่านเป็นคนของโลกอัตมาภาพมองว่านอกจากอัจฉริยภาพของท่านเองนะเป็นพระโยมัาดาของท่านครับท่านพุทธทัสเนี่เคยพูดคําสําคัญเอาไว้นะ ซึ่งการแต่ภาพรู้สึกเหมือนจะเป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมักดิที่พาลูกชายจะมอบให้กับยลวแม่ mm hmm. คือท่านบอกว่าถ้าไม่มีแม่นี่ไม่มีส่วนโมก mm hmm. ส่วนโมกที่ท่านสร้างขึ้นมา mm hmm. ชื่อเต็มว่าส่วนโมกขาพระลารามนะครั บ, รบถ้าไม่มีแม่ไม่มีส่วนโมก ค, ครับถามว่าทําไมท่านจึงพูดประโยคนี้ mm hmm. ก็เพราะว่าตอนนี้ท่านทิ้งกรุงเทพในปีพุทธศักราช2475ก่อนคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองเทิ้งหนึ่งเดือนครับท่านลงไปแล้วท่านคิดจะสร้างวัดป่า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 มีคนเข้าไปเนี่ยถ้าพุทธท่านเคยทําสถิติเอาไว้มีอยู่ปีหนึ่งคนเป็นแสน่ะไปส่วนโมกครับแล้วคนไปส่วนโมกเป็นแสนเนี่ยไม่มีการทําประชาสัมพันธ์เลยนะไม่ก <ใน S 1> ันเองเห็นที่ว่าวัตถุนี้อยู่ที่ใจหรือเปล่าเชิญพรก็คือเพศลับของท่านอยู่ที่ไหนอยู่ที่แม่มยมแม่เรียกท่านไปถามมาลูกจะสร้างโบสถ์แล้วมันมีแต่ป่าเนี่ยมันจะดีกว่าโบสถ์ของชาวบ้านได้ไงท่านก็บอกว่ายมแม่โบสถ์ที่ลูกจะสร้างเนี่ยนะมันเป็นโบสถ์ที่ ประเด็นสถานอยู่ในหัวใจคนคือลูกจะสร้างโบทที่ไม่ต้องเปลืองอิดไม่ต้องเปลืองปูนไม่ต้องเปลืองก้อนกวดก้อนหินแม้แต่ก้อนเดียวแต่ลูกจะสร้างโบทสร้างวิหานในใจคนคแม่ท่านเนี่ยเป็นแม่ที่ที่เสียงมากเพราะอะไรเพราะพ้าลูกชายได้คิดนอกกรอ บ, รบแต่แม่เอาด้วยท่านพาทุทธทาเขียนไว้ว่าวันนั้นถ้าโยมแม่ห้ามคาเดียวว่าลูกอย่าทอคาว่าพุทธทาสไม่เกิด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 มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยท่านสั่งให้ลูกศรษฐลูกหาฤทธิ์กิ่งไม้ที่ส่วนโมกลูกศรษฐก็ถามว่าท่านอาจารย์สั่งให้ลูกเศรษฐฤทธิ์กิ่งไม้ทําไมครับท่านพุทธท่านพูดประโยคที่สําคัญบางทําให้ลูกเศรษฐต้องอึ้งไปท่านบอกว่าที่ฉันสั่งให้เธอฤทธิ์กิ่งไม้เนี่ยนะเพราะว่ากิ่งไม้บางกิ่งเนี่ยมันบังยอดเขาซึ่งยอดเขาลูกนั้นในบรรจุอัถิคือกระดูกของโยมมารดากับโยมบิดาของท่านอื ท่านกตัญญูต่อโยมาดาโยมิดาคือทุกวันที่ท่านเดินออกกำลังกาท่านจะมองดูยอดเขาที่บรรจุอัธิคือกระดูกของมานาบิดาของท่านครั บ, รบถามว่าไปดูยอดเขาแล้วท่านทำทำไมครับท่านจะได้บอกโยมแม่ของท่านว่าโยมแม่โยมพ่อถ้าลูกชายของโยมพ่อโยอมแม่เนี่ไม่เสียชาติเกิดนะที่ลูกมาบวชเนี่ยลูกได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดจริงๆไม่เสียค่าเข้าแดงแกงร้อนของโยมแม่ของใครต่อใครที่มาเคารพนับถือโลกลูกจะทำดีจนนาทีสุดท้าย ท่านเขียนบันทึกเอาไว้อย่างนั้นอืแล้วมีวันแม่วันหนึ่งนะท่านเล่าไว้ครับท่านบอกว่าตอนที่ท่านยังเป็นพระ น, นุ่มๆนะอายุ26 27โยมแม่เนี่ยจะเอาเปิ่นโตไปส่งครับแล้วท่านก็ตอบแทนโยมแม่ทำ ย, ยังไงโยมแม่ส่งอาหารกายถวายเป็่นโตทุกวันคครรัับบพระลูกชายเนี่ยเขียนโน้ตธรรมะนะวันละหนึ่งหัวข้ อ, อฝากใส่เป็ิ่นโตส่งไปให้โยมแม่ ส, ส่งกลับไปให้โยมแม่ครับ โยมแม่เลี้ยงกายของพระลูกชายรพระลูกชายเลี้ยงใจของโยมแม่ท่านกรตันยูต่อแม่ถึงขนาดนี้นะครับแต่วันหนึ่งท่านก็ยังบอกว่าอัตมายังรู้สึกเสียใจอยู่ไม่หายที่ตอนนี้เป็นพระผู้ใหญ่รู้ธรรมะขั้นลึกๆอยากจะกลับไปสอนโยมแม่ครั บ, รบแต่ก็ไม่ทันโยมแม่จิงตายไปเสียก่อนนึกแล้วก็ยังว้าเหวยอยู่ไม่หายท่านทาดีขนาดนี้ท่านยังบ่นว่ายังดีไม่พออนี่เราน่างจะย้อนมาหาพวกเราว่า เราทําดีสู้ท่านได้ไหมอ๋อนะครับแม่พี่ฮารครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าจะให้ผมพูดนะครับผมว่าทุกวันศุกร์เนี่ยผมได้ฟังพระอาจ า, าร์มาเทศหรือมาสุขขนทรธร ร, รมกันนะฮะทำให้จิตใ จ, ใจระเบิกบานถ้าจะยอถามว่าแล้วมันดาของพระอาจาร์ล่ะครับฉันพออ่านิยมดูพระอาจารยร์ยังไงถึงได้แบบเรียกว่ามาทําห้พวกเราเนี่ยนะฮะจิตใจโปร่งใสกันในทุกวันศุกร์แบบนี้คงต้องเรียนถามพระอาจารย์ครับยมแม่ของอาตมาเนี่ย เป็นโยมผู้หญิงที่ไฝ่รู้มากเปิดรายการวิทยุทิ้งไว้ทั้งวันเลยนะตื่นแต่เช้าเนี่ยต่างหาได้ฟังรายการวิทยุแล้วเรารุกขึ้นมาทำความสะอาดบ้านเรือนนะโยมแม่ก็เปิดวิทยุทิ้งไว้6ก ม, ง, มงก็จะเปิดข่าวของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย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 ก็อยากบวชเองอโดยอัตโนมัติครับแล้วเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้อัตภาพบวชมาได้จนถึงยี่สิบปีหรือยู่วันหนึ่งเนี่ยโยมแม่ของนักธรรมมาไปที่วัดครั บ, รบแท่านก็มองดูที่ที่หน้าโบสถ์นะมองดูที่หน้าโบสถ์แล้วท่านก็รำพึงว่าเนี่ยแม่เนี่ยไม่รวยเหมือนชาวบ้านเขาจึงไม่ได้มีชื่อติดตามประตูตามหน้าต่างของโบสถ์เลย<ฮ>ลเราเป็นเนรน้อยเราก็มันเสือ่อมกระก็บอกว่าแล้วโยมแม่จะเสียใจไปทําไม โยแมแม่ได้เป็นเจ้าภาพประตูหน้าต่างวิหารอะไรแต่โยมแม่ได้ถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้าศาสนาแล้วเนะี่ยนั่นก็คืออาตมาก็พโลงออกไปก็นี่งไงพระ<อ>ลูกชายเราก็พโลกออกไปแล้วก็ทําให้เราเอา้าวเราเราสัญญาการโยมแม่โดยมืออื่นนะเนี่ยอก็เลย<อ>ก็เลยต้องบวชให้โยมแม่<อ>ก็เลยต้องบวชยาว<อ>แล้วก็มี ม, มีมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่อาตมาประทับใจเพราะอะไรเพราะมีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยอาตมาได้ซื้อวระถุงให้โยมแม่ ครับซื้อผ้าถุงซื้อผ้าถุงให้โยแ ม, มแม่โอ้ยแม่้าเขาตกใจท้าอะไรมาซื้อผ้าถุงให้แม่โอ้อ ม, มองหัวโจ๋เท้าเลยฮะว่าเราซื้อผ้าถุงให้คิกอะ <c oughs> คือเราก็ไม่ได้บอกซื้อผ้าถุงให้ใครแต่พระมาซื้อผ้าถุงนี่แ ม, ม, ม่ค้ามองมองวิเขามองกล่าว่าวันเนี้ด่าครบชุดเลยนะโอ้ยอย่างนั้นเลยนะพ ร, ระชั น, น, นพระชันทำไงออนี่ เป็นพระเป็นเจ้ามาซื้อผ้าถุงให้ผู้หญิง่งมันเหมาะหรือเปล่าเนี่ยโอ้นี่ยไหมครับป่าเปิดชากโอ้ยแม่ค้าเขาเขาเปิดชากฉาตมาเลยนะปะ่าฉาดาเลยแต<า>่มาเขาบอกชายจนเทียนเดียวเดวอาตมาซื้อไปให้โยมแม่เน<ะ>ี่ยจะถึงวันแม่แล้วพอรู้ว่าโยมแม่ะอูน้ำตาแม่ค้าไหลเพาะเพาะเพะโอยสาธุถ้าโยมมีลูกอย่างท่านนะโยมก็ไม่ได้มานั่งขายผ้าถุงอยู่นี่หรอกโอโยมร้องไห้ อาตมาไปซื้อผืนเดียวแม่ค้าซึ้งแถมสามผืนเลยซื้อหนึ่งแถมสามเป็นเชคนก็เป็นภาพพิมพ์ใจมากแล้วก็อาตมาคิดว่าประทับใจเพราะในวันสุดท้ายที่ยมแม่ของอาตมาภาพสิ้นโยมแม่เนี่ยท่านท่านสิ้นในวันที่ท่านสิ้นเนี่ยท่านได้สวมผ้าถุงที่อาตมาซื้อให้อาตมาคิดว่าถึงแม้เราไม่ได้อยู่เลี้ยงแต่ท่านแต่ชุดสุดท้ายที่ยมแม่สวมใส่ในการเดินทางไปสู่สัมปรายภพโลกหน้าก็เป็นชุดที่อยางน้อยพระลูกชายเคยซื้อให้แม่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 ซึ่งมากนะฮะนี่ผมเข้าใจแล้วความหมายคืออะไรผมเชื่อกูมชมหลายท่านคงจะเข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่เมื่อกี้รลวงพี่บอกว่าเวลาเ็าชมก็ชมแม่คนนั้นและด่าก็ด่าแม่คนนั้นจะชี้ชนี่ชี้ชี้ตองนี้ม ช, ช, ช, ชมชีค้คุณหานาตามาไมาห่หงอยแล้ว ก็สนุกที่ว่าจิตใจบวกเบิกบานจริงๆนะครัวันนี้ยอดจริงๆครับวันนี้ต้องกราบขอพู้คุณฟาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับัครบเอาละครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมพิฮาร์และอาจารย์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับค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 ตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามรพระพุทธเจ้าได้ทําหน้าที่ต่อโลกอย่างเด่ที่สุดอันนี้เรียกว่าถ้าไม่มีพระพุทธมารดาไม่มีพระพุทธเจ้าครับแต่ประวัติศาสตร์มักจะไม่พูดถึง พ, พุทธมารดานะเพราะว่าพอเสด็จไปบุคคลแล้วเงียบไปเลยแต่แท้ที่จริงถ้าไม่มี พ, พุทธมารดาโลกไม่มีพระพุทธเจ้าการเป็นพุทธมารดาเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเพราะกฎประการหนึ่งของคนที่จะเป็นพุทธมารดานะมีอยู่ว่า ผู้ที่จะเป็นพุทธมารดาเนี่ยเมื่อมีพระประสูติการพระราชโอรสแล้วภายในเจ็ดวันจะเสด็จที่องคตอ๋อ oh, เป็นอย่างนี้เละเป็นอย่างนั้น oh. อ๋ออาดมาอยากจะถามว่ามีแม่คนไหนเนี่ยกล้าตายเพื่อให้ลูกรอดนะมมีไหมกล้าตายเพื่อให้ลูกรอดแล้วยินดีด้วยนะถึงแม้จะไม่ได้อยู่ดูความสําเร็จของลูกนะแต่แม่ก็ยินดีที่จะแบกรับพาระอันใหญหลวงนี้ไว้ออืเพราะฉะนั้นพอพระพุทธเจ้าจะสรุปพระอนุตตรธัมสมาสำโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้านะครับ okay. สิ่งแรกหรือเบื้องต้นเลยที่พระองค์ทำคือเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาก่อนในสวงสวรรค์ในสวงสวรรค์ในในพรรษาที่เจ็ดในพระองค์เสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาครับพอไปโปรดเสร็จแล้วกินเวลาสามเดือนครับพอสิ้นสมเดือนแล้วพระองค์ก็เสด็จลงมาวันที่พระองค์เสด็จลงจากการโปรดพพุทธมารดาเราเรียกกันว่าวันเทโวโรหณะครับอ๋อที่ตักบาตรเทว์เดินพที่เราตักบาตเทโว์คนส่วนใหญ่เวลาถึงวันตักบาตรเทว์ก็จะคิดถึงข้อวสารอาหารแห้งครับแต่อตมาคิดว่าวันตักบาตรเทวโรหณะเนี่ยนะ อตามาคิดว่าวันนั้นเป็นวันกตันยูแห่งโลกเพราะเป็นวันที่ลูกคนหนึ่งขึ้นไปทดแทนค่าน้ำนํำนมต่อแม่ครั บ, รบแล้วเสด็จกลับโรมารมีนักศึกษาถามอตามาว่าพระอาจารย์สวรรค์ น, นี่มันจะมีจริงหรือใช่ไหมอตามาบอกว่าเธออย่าไปสนใจเรื่องสวรรค์มีจริงหรือไม่จริงสิเธอควรจะสนใจคติที่จะได้จากเรื่องนี้นั่นก็คือถึงแม้พระพุทธามารดาอยู่โลกหนึ่งพระพุทธเจ้าอยู่โลกหนึ่ง แต่ความต่างกันคนละโลกเป็นอุปสรรคต่อการที่ลูกคนหนึ่งจะไปกระตันอยู่ต่อแม่มอืมใช่ไห ม, มประเด็นนี้สํา ค, คัญเพราะคนไทยส่วนใหญ่หรือใครก็ตามเนี่ยอยู่กับพ่อกับแม่ห่างกันแค่ฝาห้องกันเท่านั้นเองเ <c oughs> คยแว้เข้าไปดูหอเปล่าแม่นอนอยังไงแม่นอนอรมมับประทานข้าวอร่อยไหมเคยให้ไปดูหรือเปล่าห่างกันแค่ฝาห้องกันเท่านั้นเองถ้าไม่ดูไม่เลเลยบางทีอยู่ใกล้กันนิดเดียวโทรศัพท์ไปหาไหมห่างกันแค่ชั่วยกหูโทรศัพท์ถึง เรายังไม่เคยมีเวลาให้พ่อให้แม่เลยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่คนละโลกนะคนละภพปะไปเลยคนละภ พ, พแต่ความต่างแห่งภพเป็นอุปสรรคสําหรับการตอบแทนพระคุณแม่ไหมไม่เลยไม่เลย อ, อันนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นมหาุบุษเป็นมหาบุษเพราะหนึ่งเป็นพุทธเจ้าสองเพราะเป็นลูกยอดกะตันยูครับ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 ดูอย่างช่วงที่พระองค์ทรงเข้ารับการรักษาพยาบาลประชวนใช่ไหมมีคนไทยจํานวนมากที่ไปนอนเฝ้าแล้วก็รู้สึกผูกพันกันเหลือเกินอย่างคนไทยพูดถึงในหลวงเน่ยขอให้พระองค์ท่านหายป่วยพูดเหมือนกับในหลวงเป็นญาติผู้ใหญ่เลยนะไม่มีราชาศัพท์อันนี้เรียกว่าความรักที่คนไทยมีต่อในหลวงเป็นความรักที่ท่าลายชนชั้นคือรักจริงๆรับจากหัวจิตัวใจจริงๆถามว่าเบื้องหลังการที่พระองค์ได้รับความรักจากคนไทยทั้งชาติอย่างนี้เพราะไทย เพราะว่าพระบรมราชชนนีในพระองค์นั่นเองอืมีพระราชอุปนิสัยบางอย่างที่พระบรมราชชนนีถ่ายทอดผ่านมายังพระองค์ท่านครับคือเรื่องของความประหยัดพระองค์ท่านเนี่ยจะสอนระหว่างสมเด็จพระเจ้าอยู่ให้ประหยัดเงินทุกบาททุกสตางค์ต้องใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดอืแล้วพอตกมาถึงในหลวงในหลวงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประหยัดที่สุดในโลกนะครฉลองพระองค์อยู่ที่ทรงยาวนานที่สุดในโลกนะในโลกก็ว่าแล้วพระมหากษัตริย์องค์อื่นคงไม่เป็นอย่างนี้ฮะ สูตรของพระองค์ตัวหนึ่งเนี่ยสิบสองปีไปสิบสองปีประหยัดไหมครับอย่างดินสอเนี่ยท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวยัญน่ะครับเราว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเบิก ท, ทรงทําเรื่องขอเบิกดินสอนะครับปีหนึ่งเนี่สิบสองแท่งคิดดูประหยัดนะเดือน ล, ล, ละแท่งนะแล้วใช้จนด้านกุดเลยนะ<อ>ด้านกุดยังต่อด้านเลยนะยังเอาปลอกมา้ามันโมโหถามว่าอย่างเนี้ยพระองค์ประหยัดถึงขนาดนี้ เพราะฉะนั้นพระรงคจะทำไหมคนไทยเป็นตัวอย่างดูเลยว่าเนี่ยพระองค์ประหยัดขนาด น, นี้นะเรา ค, ค, คนไทยก็ชื่นชมว่าพระองค์ท่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประหยัดที่สุดในโลกแต่แท้ที่จริงคนที่ประหยัดที่สุดในโลกก็คือสมเด็จ ย, ย่าสมเด็จย่าเพราะว่าพระองค์คถา่ายทอดพระคุณสมบัตินี้มาจากสมเด็จย่าเราจะเห็นได้ว่าแม่เป็นตัวอย่างยังไงเราก็จะได้ลูกที่เป็นอนุสาวรีของแม่อย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคนไทยรักในหลวงเนี่ย เราต้องรักรักไปถึงสมเด็จย่าด้วยเพราะฉะนั่นคือเรื่องหลังของพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกพระองค์หนึ่งครับโอ้โหนะฮะความสําคัญของแม่ใช่ครับซึ่งพูดถึงเรือประหยัดเมื่อกี้ก็เหมือนกับที่พระอาจารย์เคยมาเทศน์ให้ฟังนะเรื่องเรื่องยาสีฟันยาสีฟันนะฮะโอ้โหนีดีมากนะฮะดีมากนะเบื้องงของมหาบุรุษนะครับ ประมาณดานี้สำคัญยังเหลืออีกหนึ่งมหาบุรุษนะครับแต่อยู่ช่วงหน้าเราจะมาคุยกันนะครับผู้ชมครับวันนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับอยู่ช่วงหน้ามาฟังอีกหนึ่งมหาบุรุษกับสักครู่เดียวครับครับช่วงนี้มาสนทนาธรรมกับพระ้าจาย์ต่อนะครับครับผมเมื่อกี้คุยไปแล้วสองประมารดาของสองมหาบุรุษถูกต้องครับเหลืออีกหนึ่งประมารดานะครับก็อีกหนึ่งมาไดาอีกหนึ่งมหาบุรุษก็คือโยมมาดาของท่านพุทธทาสพิฆู ครั บ, รบโยมานาของท่านพุท ธ, ธาทาสพิฆูดเนี่ยชื่อแม่เคลื่อน น, น, นําสกุลพาณิชย์ที่บอกว่าท่านเป็นมหาบุคคลเพราะว่าปีเนี้ยเป็นปีที่ยูเนสโกยกย่องให้ท่านพุทธทาสเป็นบุคคลของโลกครับเรามีการเฉลิมฉลองสองปีคือปีนี้แล้วก็ปีหน้าครับการที่ท่านพุทธทาสพิฆูดจากพระป่าธรรมดาๆแล้วก็อยู่จังหวัดชายขอบแล้วก็อยู่สุราษฎร์ธานีอ่านพระไตรปิฎกด้วยตัวเองเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง เรียนจบแค่ชั้นมัธยมปีที่สองอเรียนนักธรรมชั้นเอกแล้วก็บาลีก็ไม่ถึงไประนเก้าแต่แค่ชั้นประเด็นธรรมสามประโยคเท่านั้นเองแต่เชื่อไหมว่าภูมิปัญญาของท่านพุทธทานเนี่ยไปเวทีโลกอในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกหลายมหาวิทยาลัยอาจจะบอกได้ว่าทั่วโลกที่เขาสอนเรื่องศาสนาแล้วก็ปรัชญาเขาจะต้องบอยู่คําสอนของท่านพุทธทาสเป็นหนึ่งในชิ้นงานสําคัญที่นักศึกษาจะต้องได้อ่านกันของโลกเลยนะของโลกนะเพราะฉะนั้นชื่อเสียงของท่านเนี่ยไปในเวทีโลก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 ซึ่งกัตามาภาพรู้สึกเหมือนจะเป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิติมศักดิ์ที่พาลูกชายจะมอบให้กับยลวแม่มคือท่านบอกว่าถ้าไม่มีแม่เนี่ยไม่มีส่วนโมอบ<ม>ส่วนโมกที่ท่านสร้างขึ้นมามชื่อเต็มว่าส่วนโมอบพระรามนีนครั บ, รบถ้าไม่มีแม่ไม่มีส่วนโมกครับถามว่าทําไมท่านจึงพูดประโยคนี้ก็เพราะว่าตอนนี้ท่านทิ้งกรุงเทพในปีพุทธศักราช2475ก่อนคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองเพียงหนึ่งเดือนครับท่านลงไปแล้วท่านคิดจะสร้างวัดเปล่า ที่ไม่มีโบสถ์นะไม่มีวิหารไม่มีศาลาการบปรียญไม่มีพระพุทธรูปรโยมแม่ท่านก็เรียกไปถามมาลูกลูกจะสร้างโบสถ์ยังไงไม่มีพระประธานไม่มีผนังโบสถ์ไม่มีหลังคาไม่มีช่อฟ้าใบระกา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 ปรดิสถานอยู่ในหัวใจคน mm hmm. คือลูกจะสร้างโบทที่ไม่ต้องเปลืองอิดไม่ต้องเปลืองปูนไม่ต้องเปลืองก้อนกรวดก้อ น, อนหินแม้แต่ก้อนเดียวแต่ลูกจะสร้างโบวถสร้างวิงหารในใจคน mm hmm. แม่ท่านเนี่ยเป็นแมท่ที่เสียงมากเพราะอะไรเพราะพ่อลูกชายได้คิดนอกกรอ บ, ร บ, รบแต่แม่เอาด้วย mm hmm. ท่านพุทธทาสเขียนไว้ว่าวันนั้นถ้าโยมแม่ห้ามคาเดียวว่าลูกอย่าทำ mm hmm. คาว่าพุทธทาสไม่เกิด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 นเมู่วันหนึ่งเนี่ยท่านสั่งให้ลูกศิษย์ลูกหาฤรธกิ่งไม้ที่สวนโมกลูกศิษย์ก็ถามว่าท่านอาจารย์สั่งให้ลูกศิษย์ฤทธิกิ่งไม้ทําไมครับท่านพุทธท่านพูดประโยคที่สคาคัญบางทําให้ลูกศิษย์ต้องตึ้งไปท่านบอกว่าที่ฉันสั่งให้เธอฤทธิกิ่งไม้เนี่ยนะเพราะว่ากิ่งไม้บางกิ่งเนี่ยมันบังยอดเขา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 เขียนโน้ตธรรมะนะวันละหนึ่งหัวข้ อ, อฝากใส่บินโตส่งไปให้โยมแม่ส่งกลับไปให้ส่งกลับไปให้โยมแม่ครับโยมแม่เลี้ยงกายของพระลูกชายรพระลูกชายเลี้ยงใจของโยมแม่อืท่านกระตันยูต่อแม่ถึงขนาดนี้นะครับแต่วันหนึ่งท่านก็จะบอกว่าอาตมายังรู้สึกเสียใจอยู่ไม่หายที่ตอนนี้เป็นพระผู้ใหญ่รู้ธรรมะขั้นลึกๆอยากจะกลับไปสอนโยมแม่ครับ แต่ก็ไม่ทนันยมแม่ชิงตายไปเสียก่อนนึกแล้วก็ยังว้าเหวยอยู่ไม่หายครับท่านทาดีขนาดนี้ท่านยังบ่นว่ายังดีไม่พออนี่เราต้าจะย้อนมาหาพวกเราว่าเราทําดีสู้ท่านได้ไหมอ๋อมาครับมาพี่ฮารกลับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าจะให้ผมพูดนะครับผมว่า <c oughs> ทุกวันสุขเนี่ยผมได้ฟังอาจารย์มาเทศหรือมาสุทรนาธรรมกันด้วยนะฮะ <c oughs> ทําให้จิตใจระเบิดบาน <c oughs> ถ้าจะย้อนถามว่า <c oughs> แล้วมันดาของ ก็อาจารย์ละครับรอาจารย์ น, นี้ดูพระอาจารย์ยังไงถึงได้ได้มาเรียกว่ามาทำให้พวกเราเนี่ยนะฮะจิตใจพระองใสยกันได้ทุกความสุขแบบนี้คงต้องเรียนเท้า<ะ>อาจารย์ครับโยมแม่ของอาตมาเนี่ยเป็นโยมผู้หญิงที่ใฝ่รู้มากครับเปิดรายการวิทยุทิ้งไว้ทั้งวันเลยนะตื่นแต่เช้าเนี่ยอาตภาพได้ฟังรายการวิทยุล่ะอเราลุกขึ้นมาทําความสะอาดบ้านเรือนเนี่โยมแม่ก็เปิดวิทยุทิ้งไว้หกโมงก็จะเปิดข่าว ของสถานีพิธีแห่งประเทศไทยครับรายการข่าวที่รายงานโดยคุณปรีชาทรัพย์โสภา <โฮ S 2> อ่านข่าวโหยจำได้จดํารื่ออ่ะอ่านข่าวเร็วยังกะเข้าตอกแตกนะฝังใ จ, งใจอัตมาจำฝังใจเลย <โฮ S 2> ครับ <โฮ S 2> เพราะมันเกิด อ, อะไรขึ้นกับอัตมาอัตมากลายเป็นคนที่ รู้เหตุการณ์บ่านเมืองโดยอัตโนมัติโอนี่ถึงปูพื้นฐานโดยโยมแม่ปูพื้นโดยโยมแม่โอ้ครับแล้ววันหนึ่งโยมแม่ก็พาเราไปวัดไปพอไปวัดเราก็ชอบพระชอบวัดเห็นว่าเออพระ้าเหลืองนี่ทำไมมันมีเสน่ห์จังเลยตัมมาอยากบวชนะโยมแม่ไม่เคยขอก็อยากบวชเองนะโดยอัตโนมัติครับแล้วเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ตัมมาบวชมาได้จนถึงยี่สปีหรือมีวันหนึ่งเนี่ยโยมแม่ของตัมมาไปที่วัดครับแต่ท่านก็มองดูที่ที่หน้าบนดโบส่์นะครับมองว่าเนี่ย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 อาตมา ก, ก็พาะองอกไปก็นี่ไงพระลูกชายเราก็พล่องอกไปแล้วก็ทำให้เราเอ้าวเราเราสัญญากัโยมแม่โดยมืออื่นนะเนี่ยก็เลยก็เลยต้องบวชให้โยมแม่ก็เลยต้องบวชยาวแล้วกม็มีมีมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่อาจารพะประทับใจเพราะอะไร เพราะมีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยธรรมาภิเได้ซื้อผ้าถุงให้โยมแม่ครับครับซื้อผ้าถุงซื้อผ้าถุงให้โยมแม่โอ้แม่ขาเขาตกไก่พระอะไรมาซื้อผ้าถุงให้แม่โอ้โอ ม, มองหัวโจ๋เท้าเลยฮะว่าเราซื้อผ้าถุงให้คิเนี่ยคือเราก็ไม่ได้บอกซื้อว้าถุงให้ใครแต่พระมาซื้อผ้าถุงนี่แม่ค้ามองมองชั่วามองกะว่า ว, าวันนี้ด่าครบชุดเลยนะโอ้ยางงั้นเลยนะเรื่องพระชันทราชันทำไงเขาบอกนี่ เป็นพระเป็นเจ้ามันซื้อผ้าถุงให้ผู้หญิง ม, มันเหมาะหรือเปล่าเนี่ยโอ้เนีมันครับปาเปิดฉากเลอ้ยแม่ค้าเขาเข า, เขาเปิดฉากอาตมาเลยนะปะฉะดเลยอาตมาเขาบอกชายเดียนเดียวเดวอาตมาซื้อไปให้โยมแม่เนี่ยจะถึงวันแม่แล้วพอรู้ว่ายโยมแม่อู่นน้าตาแม่ค้าไหลเพาะเพาะพาะเพาะอู้ยสาธุถ้ายโยมมีลูกอย่างท่านนะโยมก็ไม่ได้มานั่งขายผ้าถุงอยู่นี่หรอกโอโยมร้องไห้ อาตมาไปซื้อผืนเดียวแม่ค้าซึ้งแถมสามผืนเลย 3, <c oughs> ซื้อหนึ่งแถมสามเป็นสุดยอดกวก็เป็นภาพพิมพ์ใจมากแล้วก็อาตมาคิดว่าประทับใจ <c oughs> เพราะในวันสุดท้ายที่ยมแม่ของอาตมาภาพสิ้นะโ oh, ยมแม่เนี่ยท่านท่านสิ้นในวันที่ท่านสิ้นเนี่ยท่านได้สวมพระถุงที่อาตมาซื้อให้ mm hmm. อาตมาคิดว่าถึงแม้เราไม่ได้อยู่เลี้ยงไก่ท่านแต่ชุดสุดท้ายที่โยมแม่สวมใสในการเดินทางไปสู่สัมรภรยพโลกหน้าก็เป oh, <c oughs> ็นชุดที่อย่างน้อยพระลูกชาเคยซื้อให้แม่ค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 ซึงมากนะฮะอันนี้ผมเข้าใจแล้วความหมายคืออะไรผมเชื่อผู้ชมหลายๆท่านคงจะเข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่เมื่อกี้รลวงพี่บอกว่าเวลาเ็าชมเชมแม่คนนั้นแลด่าก็ด่าแม่คนนั้นแต่ชี้ดิชี้ชี้ตอนชมชี้คุณ้าดอัตมาไม่ห่หรแล้ว โอถืว่าจิตใจบวกเบิกบานจริงๆริงพี่ฮาร์ดวันนี้ยอดจริงๆริงครับวันนี้องกราบขอผู้คุณพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมพี่ฮาร์และพระอาจารย์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็คือถึงแม้พระพุทธมารดาอยู่โลกหนึ่งพระพุทธเจ้าอยู่โลกหนึ่ง แต่ความต่างกันคนละโลกเป็นอุปสรรค ต, ต่อการที่ลูกคนหนึ่งจะไปกระตันยูต่อแม่มอืมใช่ไหมประเด็นน<ฮ>ี้สําคัญเพราะคนไทยส่วนใหญ่หรือใครก็ตามเนี่ยอยู่กับพ่อกับแม่หา่างกันแค่ฝาห้องกันเท่านั้นเองเคยไ้เข้าไปดูไหมแม่นอนอยังไง<ฮ>แม่รับประทานข้าวอร่อยไหมเคยไ้ไปดูหรือเปล่าห่างกันแค่ฝาห้องกันเท่านั้นเองถ้าไม่ดูไม่แลเลยบางทีอยู่ใกล้กันนิดเดียวโทรศัพท์ไปหาไหมห่างกันแค่ชั่วยกหูโทรศัพท์ถึง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 ดูอย่างช่วงที่พระองค์ทรงเข้ารับการรักษาพยาบาลประชวนใช่ไหมครับมีคนไทยจํานวนมากที่ไปนอนเฝ้าครับแล้วก็รู้สึกผูกพันกันเหลือเกินอย่างคนไทยพูดถึงในหลวงเนี่ยขอให้พระองค์ท่านหายป่วยพูดเหมือนกับในหลวงเป็นญาติผู้ใหญ่เลยนะไม่มีราชาสั์อันนี้เรียกว่าความรักที่คนไทยมีต่อในหลวงเนี่ยเป็นความรักที่ท่านลายชนชั้นคือรักจริงๆรับจากหัวใจจริงๆถามว่าเบื้องหลังการที่พระองค์ได้รับความรักจากคนไทยทั้งชาติอย่างนี้เพราะไทย ก็เพราะว่าพระบรมราชชนนีในพระองค์นั่นเองอ ม, มีพระราชาอุปนิสัยบางอย่างที่พระบรมราชชนนีถ่ายทอดผ่านมายัางพระองค์ท่านครับคือเรื่องของความประหยัดรพระองค์ท่านนี่จ ะ, จะสอนประวัาิสมเด็จพระเจ้าอยู่ให้ประหยัดเงินทุกบาททุกสตางค์ต้องใช้อย่างคุ้มค่าที่สดุดอืแล้วพอตกมาถึงในหลวงในหลวงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประหยัดที่สุดในโลกนะครับอืฉลองพระองค์อยู่ที่ทรงยาวนานที่สุดในโลกนะ ในโลกกว่าแล้วเพราะพระมหาการสัตว์องค์อื่นคงไม่เป็นอย่างนี้ครับสูตรของพระองค์ตัวหนึ่งเนี่ยสิบสองปีสิบสองปีประหยัดนะมครับอย่างดินสอเนี่ยท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวยทยาเนี่ยครับเล่าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเบิกทรงทําเรื่องขอเบิกดินสอนาะครับปีหนึ่งหนสิบสองแท่งคิดดูประหยัดไหมเดืนลแท่งเดือนละแท่งนแล้วใช้จนด้านกุดเลยนะด้านกุดยังต่อได้ไหมนะยังเอาปอก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 โยมาดาของท่านพุทธทาสพิขูเนี่ยชื่อแม่เคลื่อนอนำสกุลพาณิชย์ที่บอกว่าท่านเป็นมหาบุรุษก็เพราะว่าปีนี้ยเป็นปีที่ ESCO, ยูเนิสโกยกย่องให้ท่านพุทธทาสเป็นบุคคลของโลกครับเรามีการเฉลิมฉลองสองปีคือปีนี้แล้วก็ปีหน้าครับการที่ท่านพุทธทาสพิฆขขูจากพระป่าธรรมดาธรรมดาแล้วก็อยู่จังหวัดชายขอบเลยวก็อยู่สุราษฎร์ธานีอ่านพระไตรไปิฎกด้วยตัวเองเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง เรียนจบแค่ชั้นมัธยมปีที่สองอเรียนนักธรรมชั้นเอกแล้วก็บาลีก็ไม่ถึงปริญญาเก้าแต่แค่ชั้นปริญญธรรมสามประโยคเท่านั้นเองแต่เชื่อไหมว่าภูมิปัญญาของท่านพุทธทาสเนี่ยไปเวทีโลกอในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกหลายมหาวิทยาลัยอาจจะบอกได้ว่าทั่วโลกที่เขาสอนเรื่องศาสนาแล้วก็ปรัชญาเขาจะต้องมบอยู่คําสอนของท่านพุทธทาสเป็นหนึ่งในชิ้นงานสําคัญที่นักศึกษาจะต้องได้อ่านกันโโกนะของโลกเลยของโลกเพราะฉะนั้นชื่อเสียงของท่านเนี่ยไปในเวทีโลก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 ซึ่งการแต่ภาพรู้สึกเหมือนจะเป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่พราลูกชายจะมอบให้กับหลวแม่ hmm. คือท่านบอกว่าถ้าไม่มีแม่นี่ไม่มีส่วนโมก hmm. ส่วนโมกที่ท่านสร้างขึ้นมา hmm. ชื่อเต็มว่าส่วนโมกกับพระลาลามเนี่ย hmm. ถ้าไม่มีแม่ไม่มีส่วนโมกครับ hmm. ถามว่าทําไมท่านจึงพูดประโยคนี้ hmm. ก็เพราะว่าตอนนี้ท่านทิ้งกรุงเทพ hmm. ในปีพ hmm. ุทธศักราช2475 hmm. ก่อนคณะรัษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองเพียงหนึ่งเดือนท่านลงไปแล้วท่านคิดจะสร้างวัดป่า ที่ไม่มีโบสถ์นะไม่มีวิหารไม่มีสาลาการบเรียณไม่มีพระพุทธรูปครับโยมแม่ท่านก็เรียกไปถามว่าลูกลูกจะสร้างโบสถ์ยังไงไม่มีพระประธานไม่มีผนังโบสถ์ไม่มีหลังคาไม่มีช่อกฟ้าใบระกา แม่ไม่เข้าใจว่าบทของลูกนี่มันจะนําไปสู่อะไรอใช่ไหมเราคงไม่เคยเห็นใช่ไหมพอนึกถึงบทปุ๊บเราก็จะนึกถึงชอบไฟมารกาที่สัง้นงามอู้ใช้เงินเป็นสิบล้านสร้างบทหลังหนึ่งนะครัเดี๋ยวนี้โบทที่แพงที่สุดในเมืองไทยก็สองพันล้านเข้าไปแล้วดูสิแต่บทของท่านพุทธทาสเนี่ยมีเพดานนะเป็นท้องฟ้าผนังเป็นผืนป่าธรรมชาติอืพื้นโบสถ์ก็คือลานทรายพระประธานก็คือธรรมะอแต่บทอย่างเนี้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 ประด็นสถานอยู่ในหัวใจคน mm hmm. คือลูกจะสร้างโบสถที่ไม่ต้องเปลืองอิดไม่ต้องเปลืองปูนไม่ต้องเปลืองก้อนกวด ก, ก้อนหินแม้แต่ก้อนเดียวแต่ลูกจะสร้างโบสถสร้างวิหารในใจคน mm hmm. แม่ท่านเนี่เป็นแม่ที่ที่เสี่ยงมากพ่ออะไรเพรา ะ, ะรพาะ่อลูกชายได้คิดนอกกรอ บ, รบแต่แม่เอาด้วยอืฮท่านพุทธทาเขียนไว้ว่าวันนั้นถ้าโยมแม่ห้ามคําเดียวว่าลูกอย่าทําอ mm ื hmm. คำคําว่ า, าพุทธทาสไม่เกิด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 มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยท่านสั่งให้ลูกเศรษฐลูกหาฤทธ์กิ่งไม้ที่สวนโมกลูกศรษฐก็ถามว่าท่านอาจารย์สั่งให้ลูกเศรษฐเท็์กิ่งไม้ทําไมครับท่านพุทธท่านพู ด, พดประโยคที่สาําคัญต้องทําให้ลูกเศรษฐต้องอึง้งไปท่านบอกว่าที่ฉันสั่งให้เธอฤทธ์กิ่งไม้เนี่ยเพราะว่ากิ่งไม้บางกิ่งเนี่ยมันบังยอดเขา ซึ่งยอดเขาลูกนั้นในบรรจุอัฐิคือกระดูกของโยมารดากับโยมบิดาของท่าน hmm. ท่านกตัญญูต่อโยมานดาโยมิดาคือทุกวันที่ท่านเดินออกกำลังกายท่านจะมองดูยอดเขาที่บรรจุอัฐิคือกระดูกของมารดาบิดาของท่านครั บ, รบถามว่าไปดูยอดเขาแล้วท่านทำทำไมครับท่านจะได้บอกโยมแม่ของท่านว่าโยมแม่โยมพ่อถ้าลูกชายของโยมพ่อโยอมแม่นี่ไม่เสียชาติเกิดนะ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 เขียนโน้ตธรรมะนะวันละหนึ่งหัวข้ อ, อฝากใส่บิญโตส่งไปให้โยมแม่ส่งกลับไปให้ส่งกลับไปให้โยมแมค่ครับโยมแม่เลี้ยงกายของพระลูกชายรพระลูกชายเลี้ยงใจ ข, ของโยมแม่ออืท่านกระตันยูต่อแม่ถึงขนาดนี้นะคแต่วันหนึ่งท่านก็ยังบอกว่าอาตมายังรู้สึกเสียใจอยู่ไม่หายที่ตอนนี้เป็นพระผู้ใหญ่รู้ธรรมะขั้นลึกๆอยากจะกลับไปสอนโยมแม่ครับ แต่ก็ไม่ทันยมแม่ชิงตายไปเสียก่อนอนึกแล้วก็ยังว้าเวยอยู่ไม่หายครับท่านทาดีขนาดนี้ท่านยังบนว่ายังดีไม่พออเนี่ยเราน่าจะย้อนมาหาพวกเราว่าเราทําดีสู้ท่านได้ไหอนะครับมพี่ฮาครั บ, รบจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าจะาให้ผมพูดนะครับผมว่า <c oughs> ทุกคนสุขเนี่ยผมได้ฟังพระอาจารย์มาเทศหรือมาสุพนนาธรรมเลยนะฮะทำให้จิตใจระเบิดบานถ้าจะย้อนถามว่า <c oughs> แล้วมันดาของ อาจารย์ล่ะครับนี่ <c oughs> ดูพระอาจารย์ยังไงถึงได้ได้มาเรียกว่ามาทำให้พวกเราเนี่ยนะฮะจิตใจโป่งใสกันในทุกวนันสุขแบบนี้คงต้องเรียนถามพระอาจารย์ครับโ <c oughs> ยมแม่ของอาตมาเนี่ยเป็นโยมผู้หญิงที่ใฝ่รู้มาก <c oughs> เปิดรายการวิทยุทิ้งไว้ทั้งวันเลยนะตื่นแต่เช้าเนี่ยอตาตมาได้ฟังรายการวิทยุแหละเราลุกขึ้นมาทําความสะอาดบ้านเรือนนะโยมแม่ก็เปิดวิทยุทิ้งไว้6โมงก็จะเปิดข่าว ของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยครับรายการข่าวที่รายงานโดยคุณปรีชาทรโสภา <โฮ S 2> อ่านข่าวโหูังจำได้จดํารื่อะอ่านข่าวเร็วยังกระเข้าตอกแตกนะฝังใจอัตมาจำฝังใจเลยแล <โฮ S 2> ้ว <โฮ S 2> มันเกิด อ, อะไรขึ้นกับอาตมาอัตม า, ตมากลายเป็นคนนี่ รู้เหตุการณ์บ้านเมืองโดยอัตโนมัติโอนี่ถูก้อปูพื้นฐานโดยโยมแม่ปูพื้นโดยโยมแม่ฮะโอ้โหแล้ววันหนึ่งโยมแม่ก็พาเราไปวัดไปวัดไปวัดเราก็ชอบพระชอบวัดเห็นว่าเออพระเหลืองนี่ทําไมมันมีเสน่ห์จังเลยตะมาอยากบวชนะโยมแม่ไม่เคยขอก็อยากบวชเองโดยอัตโนมัติครับแล้วเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ตะมาบวชมาได้จนถึงยี่สปีหรือมีวันหนึ่งเนี่ยโยมแม่ของตะมาไปที่วัดครับแต่ท่านก็มองดูที่ที่หน้าบดนนของู่ทีห้าบแล้วส่านก็รับมองดูที่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 เพราะมีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยธรรมภาพไปซื้อผ้าถุงให้โยมแม่ค ร, ครับซื้อผ้าถุงซื้อผ้าถุงให้โยมแม่โอ้แม่้าเขาตกใจพระอะไรมาซื้อผ้าถุงให้แม่ อ, อมองหัวจ๋เท้าเลยฮว่าเราซื้อผระถุงให้กิ๊กอะคือเราก็ไม่ได้บอกซื้อผ้าถุงให้ใครแต่พระมาซื้อผ้าถุงนี้แม่้ามองมอา ม, มองกล่าว่<ม>า ว, าวันนี้ด่าครบชุดเลยนะโอ้ยอย่างนั้นเลยนะอย่างนั้นเลยพระท่าก็บอกนี่ เป็นพระเป็นเจ้ามาซื้อผ้าถุงให้ผู้หญิง่ะมันเหมาะหรือเปล่าเนี่ยโอ้ใช่ไหมค<ม>รับปาเปิดฉากเลยโอยแม่ค้าเขาเขาเปิดฉ<ๆ>ากอาตมาเลยนะปะฉะดะเลยอาตมาเขาบอกชา เ, เดือนเดือนเดือนาตมาซื้อไปให้โยมแม่เนี<ะ>่ยจะถึงวันแม่แล้วพอรู้ว่าโยมแม่อูน้ําตาแม่คะไหลเพาะเพาะเพะโอ้ยสาธุถ้าโยมมีลูกอย่างท่านนะโยมก็ไม่ได้มานั่งขายผ้าถุงอยู่นี่หรอกโอ้โยมร้องไห้ อาตมาไปซื้อผืนเดียวแม่ค้าซึ้งแถนสามผืนเลยซื้อหนึ่งแถมสามเป็นเชิงพนก็เป็นภาพพิมพ์ใจมากแล้วก็อาตมาคิดว่าประทับใจ oh. เพราะในวันสุดท้ายที่โยมแม่ของอาตมาภาพสิ้นนะโยมแม่เนี่ยท่านท่านสิ้นในวันที่ท่านสิ้นเนี่ยท่านได้สวมผ้าถุงที่อาตมาซื้อให้ hmm. อาตมาคิดว่าถึงแม้เราไม่ได้อยู่เลี้ยงกาท่านแต่ชุดสุดท้ายที่โยมแม่สวมใส่ในการเดินทางไปสู่สัมปรายภพโลกหนะ้า oh. ก็เป็นชุดที่ oh. อยากน้อยพระลุกชายเคยซื้อให้แม่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 ซึ่งมากนะฮะนี่ผมเข้าใจแล้วความหมายคืออะไรผมเชื่อคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะเข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่เมื่อกี้หลวงพี่บอกว่าเวลาเขาชมเขามแม่คนนั้นแล้วด่าก็ด่าแม่คนนั้นจะชี้ไม่ชี้ชี้ตอนชมชี้คุณฮะาต่มาไม่ห่วงแล้วก็ถือวจิตใจบวกเบิกบานจริงๆนะฮะวันนี้ยอดจริงๆครับไม่ต้องกลับขอพู้คุณฟาจารีครั้งหนึ่งนะครับ เอาครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมพิฮาร์และทว่าจารย์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเชิญครับเราก็รู้สึกผูกพันกันเหลือเกินเป็นคนไทยพูดถึงในหลวงเนี่ยขอให้พระองค์ท่านหายป่วยพูดเหมือนกับในหลวงเป็นญาติผู้ใหญ่เลยนะไม่มีราชาศัพท์อันนี้เรียกว่าความรักที่คนไทยมีต่อในหลวงเนี่ยเป็นความรังเลท่าลายชนชั้น Hmm. คือรักจริงๆรับจากหัวใจจริงๆทำให้เบื้องหลังการที่พระองค์ได้รับความรักจากคนไทยทั้งชาติอย่างนี้พ่อไทย hmm. ก็เพราะว่าพระบรมราชชนนีในพระองค์นั่นเอง hmm. มีพระราชอุปนิสัยบางอย่างที่พระบรมราชชนนีถ่ายทอดถ่านมายาพระองค์ท่านครับคือเรื่องของความประหยัดรพระองค์ท่านนีจะจะสอนระหว่าสงสมเด็จพระเจ้าอยู่ให้ประหยัดเงินทุกบาททุกสกตางค์ต้องใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดอืม hmm. แล้วพอตกมาถึงในหลวงในหลวงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประหยัดที่สุดในโลกนะ ฉลองพระองค์หรือที่ทรงยาวนานที่สุดในโลกนะในโลกก็วันนั้นพระมหกากษสัตว์องค์อื่นคงไม่เป็นอย่างนี้นะครับสูตรของพระองค์ตัวหนึ่งเนี่ยสิบสองปีโอ้สองปีสิบสองปี ป, ประหยัดนะมครับอย่างดินสอเนี่ยท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวยทยาเนะี่ยเล่าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หนะัวทรงเบิกทรงทําเรื่องขอเบิกดินสอนาะครับปีหนึ่งเสิบสองแท่งคิดดูว่าประหยัดไหม เดินระท่งนะแล้วใช้จนด้านกุดเลยนะด้านกุดเน่ยังต่อด้ามอีกนะยังเอาปอกกล่าวถามว่าอย่างนี้พระองค์ประหยัดถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นพระองค์จะทําใหมคนไทยเป็นตัวอย่างดูเลยว่าเนี่ยพระองค์ประหยัดขนาดนี้นะเราคนไทยก็ชื่นชมพระองค์ท่านเป็น่ามหาการักดิ์ที่ประหยัดที่สุดในโลกแต่แท้ที่จริงคนที่ประหยัดที่สุดในโลกก็คือสมเด็จย่าสมเด็จย่าเพราะว่าพระองค์ถ่าทอดพระคุณแลสมบัตินี้มาจากสมเด็จย่าเราจะเห็นได้ว่าแม่ เป็นตัวอย่างยังไงเราก็จะได้ลูกที่เป็นอนุสาวรีของแม่อย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคนไทยรักในหลวงเราต้องรักรักไปถึงสมเด็จย่าด้วยเพราะนั่นคือเบื้องหลังของพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกพระองค์หนึ่งครับโอ้โหนะฮะความสําคัญของแม่ใช่ครซึ่งพูดถึงเรื่องประหยัดเมื่อกี้ก็เหมือนกับที่พระอาจารย์เคยมาเทศน์ได้ฟังนะเรื่องเรื่องยันติฟันยันติฟันนะฮะโอ้โหนี้ดีมากนะฮะดีมาก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 อีกหนึ่งมารดาอีกหนึ่งมหาบุรุษก็คือโยอมารดาของท่านพุทธทาสทิขขครับรุโยมารดาของท่านพุทธทาสทิคขุขเนี่ยชื่อแม่เคลื่อนนำสกุลพาณิชย์ที่บอกว่าท่านเป็นมหาบุรุษก็เพราะว่าปีเนี้ยเป็นปีที่ยูเนสโกยกย่องท่านพุทธทาสเป็นบุคคลของโลกครับเรามีการเฉลิมฉลองสองปีคือปีนี้แล้วก็ปีหน้าครับการที่ท่านพุทธทาสทิคขขุจากพระป่าธรรมดาธรรมดาแล้วก็อยู่จังหวัดชายขอบแล้วก็อยู่สุราธานีครับ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 เพราะฉะนั้นชื่อเสียงของท่านเนี่ยไปในเวทีโลกแล้วก็น่าแปลกว่ายิ่งท่านมรณภาพห่างออกไปกี่ปีก็ตามชื่อเสียงของท่านกลับดังมากขึ้นเป็นทวีตรีคูณครับครับทั้งทั้งที่ถ้าเป็นคนทั่วไปพอลุ่มนับหลับฐันไปน่าจะหายนะแต่ท่านพุทธทาสไม่ใช่ทำไมครับยิ่งหายไปกับยิ่งด่งดังการที่ท่านเป็นคนของโลกอัตมภาพมองว่านอกจากอัจฉริยภาพของท่านเองนะเป็นพระยูมานดาของท่านครับท่านพุทธทาสเคยพูดคําสําคัญเอาไว้นะ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 ที่ไม่มีโบสถ์นะไม่มีวิหารไม่มีศาลาการบปรียญไม่มีพระพุทธรูปครับโยมแม่ท่านก็เรียกไปถามม่าลูกลูกจะสร้างโบสถ์ยังไงอ่ไม่มีพระประธานไม่มีผนังโบสถ์ไม่มีหลังคาไม่มีช่อฟ้าใบระกาอื แม่ไม่เข้าใจว่าบทของลูกนี่มันจะนําไปสู่อะไรอใช่ไหมเราคงไม่เคยเห็นใช่ไหมพอนึกถึงบทปุ๊บเราก็จะนึกถึงชอบไฟมริการที่สั่งงามครับอู้ใช้เงินเป็นสิบล้านสร้างบทหลังหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้บทที่แข่งที่สุดในเมืองไทยก็สองพันล้านก็ไปแล้วดูสิสองพล้านแต่บทของท่านพุทธทาสเนี่ยมีเพดานนะเป็นท้องฟ้าผนังเป็นผืนป่าธรรมชาติอพื้นโบสถ์ก็คือลานทรายอืพระประธานก็คือธรรมะอแต่โบทอย่างเนี้ย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 ประดิษฐานอยู่ในหัวใจคนคือลูกจะสร้างบทที่ไม่ต้องเปลืองอิดไม่ต้องเปลืองปูนไม่ต้องเปลืองก้อนปวดก้อนเห็นแม้แต่ก้อนเดียวแต่ลูกจะสร้างโบทสร้างวิหารในใจคนแม่ท่านเนี่ยเป็นแม่ที่เสี่ยงมากเพราะอะไรเพราะพ่อลูกชายได้คิดนอกกรอบแต่แม่เอาด้วยออืฮท่านพุดธทาเขียนไว้ว่าวันนั้นถ้าโยมแม่ห้ามคําเดียวว่าลูกอย่าทําอือคําว่าพุทธทาสไม่เกิด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 มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยท่านสั่งให้ลูกศรษฐลูกหาฤทธ์กิ่งไม้ที่สวนโมกลูกเศรษฐก็ถามว่าท่านอาจารย์สั่งให้ลูกเศรษฐฤทธ์กิ่งไม้ทําไมครับท่านพุทธท่านพูดประโยคที่สําคัญมากทําทให้ลูกศรษฐ ต, ต้องตึ้งไปท่านบอกว่าที่ฉันสั่งให้เธอฤทธ์กิ่งไม้เนี่ยนะเพราะว่ากิ่งไม้บางกิ่งเนี่ยมันบังยอดเขาซึ่งยอดเขาลูกนั้นในบรรจุอัฐิคือกระดูกของโยมมารดากับโยมบิดาของท่าน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 ท่านเขียนวันเทือกไว้อย่างนั้นแล้วมีวันแม่วันหนึ่งนะท่านเล่าไว้ครับท่านบอกว่าตอนที่ท่านยังเป็นพระนุ่มๆนะอายุ26 27โยมแม่เนี่ยจะเอาเป็นโตไปส่งแล้วท่านก็ตอบแทนโยมแม่ทํำยังไงโยมแม่ส่งอาหารกายถบายเป็นโตทุกวันครรับท้าลูกชายเนี่ยเขียนโน้ตธรรมะนะวันละหนึ่งหัวข้อฝากใส่เปินโตส่งไปให้โยมแม่ส่งกลับไปให้ส่งกลับไปให้โยมแม่ค โยมแม่เลี้ยงกายของพระลูกชายรพระลูกชายเลี้ยงใจของโยมแม่อท่านกรตันยูต่อแม่ถึงขนาดนี้นะครับแต่วันหนึ่งท่านก็ยังบอกว่าอัตมายังรู้สึกเสียใจอยู่ไม่หายที่ตอนนี้เป็นพระผู้ใหญ่รู้ธรรมะคันลึกๆอยากจะกลับไปสอนโยมแมค่ครับแต่ก็ไม่ทันโยมแม่ชิงตายไปเสียก่อน <Concept. S 2> นึกแล้วก็ยังว้าวเวยอยู่ไม่หายครับท่านทําดีขนาดนี้ท่านได้บ่นว่ายังดีไม่พออน uh ี่เราน่าจะย้อนมาหาพวกเราว่า เราทําดีสู้ทั้งได้ไหมอ๋อนะครับนะพี่หาดกลับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าจะให้ผมพูดนะครับผมว่า <c oughs> ทุกวันศุกร์เนี่ยผมได้ฟังพระอาจารย์มาเทศหรือมาสุนทรนาธรรมกันเลยนะฮะทำให้จิตใจระเบิดบานถ้าจะย้อนถามว่า <c oughs> แล้วมัรดาของ <c oughs> พระอาจารย์ล่ะครับะ <c oughs> นี่ดูพระอาจารย์ยังไงถึงได้ได้มาเรียกว่ามาทําให้พวกเราเนี่ยนะฮะจิตใจโปร่งใสกันได้ทุกวันศุกร์แบบนี้นผมต้องเรียนถาม <c oughs> พระอาจารย์ครับโยมแม่ของอาตมาเนี่ย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 ารายการข่าวที่รายงานโดยคุณปรีชาทรัพย์สโสภา<ห>อ่านข่าวโหจำได้จำเลยอ่ะ <laughs> อ่านข่าวเร็วยังกัะเข้าตกแตกนะฝังใจเลยอัตมาจำฝังใจเลยครับแล้วมันเกิด อ, อะไรขึ้นกับอัตมาอัตมากลายเป็นคนที่รู้เหตุการณ์บ้านเมืองโดยอัตโนมัติโอนี่ถูกฟูพื้นฐานโดยโยแม่ฟูพื้นโดยโยแม่ครับ<ห>แล้ววันหนึ่งโยแม่ก็พาเราไปวัดไปวัดไปวัดเราก็ชอบพระชอบวัดเห็นว่าเออพระเหลืองนี่ทําไมมันมีเสน่ห์จังเลยทอัตมาอยากบวชนะโยแม่ไม่เคยขอ <ค>ก็อยากบวชเอง อ, อโดยอัตโนมัติครับแล้วเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้อัตภาพบวชมาได้จนถึงยี่สิบปีคือมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยโยมแม่ของอัตามาไปที่วัดครั บ, รบแต่ท่านก็มองดูที่ที่หน้าโบสถ์นะมองดูที่หน้าโบสถ์แล้วท่านก็ราพึงว่าเนี่ยแม่น่ยไม่รวยเหมือนชาวบ้านเขาจึงไม่ได้มีชื่อติดตามประตูตามหน้าต่างของโบสถ์เลยโอครับเราเป็นเนรน้อยเราก็มันเสือมกะก็บอกว่าแล้วโยมแม่จะเสียใจไปทําไม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 เพรมีอยู่ปีนึงเนี่ยแต่มพาพาะเบนซื้อผ้าถุงให้ยอมแม่ครับคซื้อผ้าถุงซื้อผ้าถุงให้ยอมแม่<ช>โอ้ยแม่้าเขาตกใจพระอะไรมาซื้อผ้าถุงให้แม่อุ ม, มองหัวจดเท้าเลยฮะว่าเราซื้อผ้าถุงให้กิ๊กอ่ะคือเราก็ไม่ได้บอกซื้อผ้าถุงให้ใครแต่พระมาซื้อผ้าถุงนี่แม่้ามองมองวิชมองกล่าว่าวันนี้ด่าครบชุดเลยนะโอ้ยอย่างนั้นเลยนะเดยวพระจันทร์พระันทร์ไงเขาบอกนี่ เป็นพระเป็นเจ้ามาซื้อพระถงให้ผู้หญิง่มันเหมาะหรือเปล่าเนี่ยโอ้เนี่ยไหมครับป่าเปิดฉากเลอ้ยแม่ค้าเขาเขาเปิดฉากฉาตมาเลยนะปะฉาดะเลยครับ้านเขาบอกใจเย็นเดี๋ยวเดียตมาซื้อไปให้โยมแม่เนี่ยจะถึงวันแม่แล้วพอรู้ว่าโยแม่อู่นน้าตาแม่ค้าไหลเพาะเพาะเพะอ้ยสาธุอถ้าโยมมีลูกอย่างท่านนะโยมก็ไม่ได้มานั่งขายผ้าถงอยู่นี่หรอกโอ้โยมร้องไห้ อาตมาไปซื้อผืนเดียวแม่ค้าซึ้งแถมสามผืนเลยซื้อหนึ่งแถมสามเนเชิคน <c oughs> ก็เป็นภาพพินใจมากแล้วก็อาตมาคิดว่าประทับใจ <c oughs> เพราะในวันสุดท้ายที่โยมแม่ของอาตมาภาพสิ้นโยมแม่เนี่ยท่านท่านสิ้นในวันที่ท่านสิ้นอ่ะท่านได้สวมผ้าถุงที่อาตมาซื้อให้อาตมาภาพคิดว่าถึงแม้เราไม่ได้อยู่เลี้ยงกายท่านแต่ชุดสุดท้ายที่โยมแม่สวมใส่ในการเดินทางไปสู่สัมปรายภพโลกหน้าก็เป็นชุดที่อย่างน้อยพระลุกชายเคยซื้อให้แม่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 ครับโยมานาของท่านพุท ธ, ธาทาสพิฆูเนี่ยชื่อแม่เคลื่อนนำสกุลพา น, นิที่บอกว่าท่านเป็นมหาบุรุษก็เพราะว่าปีเนี้เป็นปีที่ ESCO, ยูเนสโกยกย่องให้ท่านพุทธทาสเป็นบุคคลของโลกครับเรามีการเฉลิมฉลองสองปีคือปีนี้แล้วก็ปีหน้าครับการที่ท่านพุทธทาสพิขูจากพ่าป่าธรรมดาธรรมดาแล้วก็อยู่จังหวัดชายขอบแล้วก็อยู่สุราธานีครับ อ่านพระไตรปดบ ด, ด้วยตัวเองเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองอเรียนจบแค่ชั้นมัธยมปีที่สองอเรียนนักธรรมชั้นเอกแล้วก็บาลีก็ไม่ถึงป ร, รีญญาเก้าแต่แค่ชั้นไป ร, ริญญธรรมสามประโยคเท่านั้นเองแต่เชื่อไหมว่าภูมิปัญญาของท่านพุทธทาคเนี่ยไปเวทีโลกในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกหลายมหาวิทยาลัยอาจจะบอกได้ว่าทั่วโลกที่เขาสอนเรื่องศาสนาแล้วก็ปรัชญาเขาจะต้องมบอยู่คําสอนของท่านพุทตถาคเป็นหนึ่งในชิ้นงานสําคัญที่นักศึกษาจะต้องได้อ่านกันของโลกเลยของโลก เพราะฉะนั้นชื่อเสียงของท่านนไปในเวทีโลกแล้วก็น่าแปลกว่ายิ่งท่านมรณภาพผ่านออกไปกี่ปีก็ตามชื่อเสียงของท่านกลับดังมากขึ้นเป็นทระตรีคุณครั บ, รบทั้งๆที่ถ้าเป็นคนทั่วไปพอล่วงรับหลับขันไปน่าจะหายแต่ท่านพุทธทาสไม่ใช่ไยิ่งหายไปกับยิ่งโดง่งดังการที่ท่านเป็นคนของโลกอัรมาภาพมองว่านอกจากอัจฉริยภาพของท่านเองนะเป็นพระโยมมันดาของท่านท่านพุทธทาสเคยพูดคําสําคัญเอาไวนะ้เนี่ย ซึ่งอาจารย์าพัทรู้สึกเหมือนจะเป็นปริญญารุษฎีบณิกิติมศักดิที่พระลูกชายจะมอบให้กับหลวแม่คือท่านบอกว่าถ้าไม่มีแม่นี่ไม่มีส่วนโมกส่วนโมกที่ท่านสร้างขึ้นมาชื่อเต็มว่าส่วนโมกพระารามนะครับถ้าไม่มีแม่ไม่มีส่วนโมกครับถามว่าทําไมท่านจึงพูดประโยคนี้ก็เพราะว่าตอนนี้ท่านทิ้งกรุงเทพในปีพุทธศักราช2475ก่อนคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองเทิ้งหนึ่งเดือนท่านลงไปแล้วท่านคิดจะสร้างวัดป่า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 ประดิษฐานอยู่ในหัวใจคนคือลูกจะสร้างโบสถ์ที่ไม่ต้องเปลืองอิดไม่ต้องเปลืองปูนไม่ต้องเปลืองก้อนกรวดก้อ น, อ น, อนหินแม้แต่ก้อนเดียวแต่ลูกจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารในใจคนมมแม่ท่านเป็นแมทท่ที่เสียงมากเพราะอะไรเพราะพ่อลูกชายได้คิดนอกกรอบแต่แม่เอาด้วย อ, อท่านพุทธทาสเขียนไว้ว่าวันนั้นถ้าโยมแม่ห้ามคําเดียวว่าลูกอย่าทําอือคําว่ า, าพุทธทาสไม่เกิด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 โยมแม่เลี้ยงกายของพระลูกชายรพระลูกชายเลี้ยงใจของโยมแม่ท่านกระตันยูต่อแม่ถึงขนาดนี้นะแต่วันหนึ่งท่านก็ยังบอกว่าอัตมายังรู้สึกเสียใจอยู่ไม่หายที่ตอนนี้เป็นพระผู้ใหญ่รู้ธรรมะขั้นลึกๆอยากจะกลับไปสอนโยมแม่แต่ก็ไม่ทันโยมแม่ชิงตายไปเสียก่อนนึกแล้วก็ยังว้าเว่อยู่ไม่หายท่านทำดีขนาดนี้ท่านยังบ่นว่ายังดีไม่พอนี่เราน่าจะย้อนมาหาพวกเราว่า เราทำดีสู้ทำได้ไหมอ๋อนะครับแม่ที่หัดขับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าจะให้ผมพูดนะครับผมว่าทุกวันศุกร์เนี่ยผมได้ฟังพอาจารย์มาเทศหรือมาสุนทนธรรมนี่นะฮะทำให้จิตใจระเบิดบานถ้าจะย้อนถามว่าแล้วมัรดาของแต่ก็อาจารย์ละครับตอนนี้ดูพระอาจารย์ยังไงจึงได้ได้มาเรียกว่ามาทำให้พวกเราเนี่ยนะฮะจิตใจโปร่งใสกันในทุกวันศุกร์แบบนี้คงต้องเรียนถามพอาจารย์ครับโยมแม่ของอาตมาเนี่ย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 แล้มันเกิด อ, อะไรขึ้นกับตมาอาตมากล า, ายเป็นคนที่รู้เหตุการณ์บ้านเมืองโดยอัตโนมัติโอนี่ถูกมืพื้นฐานโดยโยมแม่พูพ<ม>ื<ม>้นโดยโยมแม่ฮะแล้ววันหนึ่งโยมแม่ก็พาเราไปวัดไปวัดไปวัดเราก็ชอบพระชอบวัดเห็นว่าเออผ้าเหลืองนี่ทําไมมันมีเสน่ห์จังเลยตมาอยากบวชนะโยมแม่ไม่เคยขอก็อยากบวชเองโดยอัตโนมัติแล้วเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ตมาบวชมาได้จนถึงยี่สิบปีหรือยู่วันหนึ่งเนี่ยโยมแม่ของตมาไปที่วัดแล้วท้าก็มองดูที่ที่หน้าโบสถ์นะ มองอยู่ที่หน้าบสถ์แล้วท่านก็ราพึงว่าเนี่ยแม่น่ะไม่รวยเหมือนชาวบ้านเขาจึงไม่ได้มีชื่อติดตามประตูตามหน้าต่างของบสถ์เลย<ฮ> เ, เราเป็นเนรน้อยเราก็มันเสอ่อมก็บอกว่าแล้วยมแม่จะเสียใจไปทําไมยมแม่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพประตูหน้าต่างวิหารอะไรแต่ยมแม่ได้ถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้ศาสนาแล้วเนะ่ยนั่นก็คือค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 ซื้อผ้าถุงซื้อผ้าถุงให้อยอมแม่โอ้แม่้มาเขาตกใจพะอะไรมาซื้อผ้าถุงให้แม่อ๋ ม, มองหัวโจท้าเลยหาว่าเราซื้อผ้าถุงให้คิกอะ <laughs> คือเราก็ไม่ได้บอกซื้อผ้าถุงให้ใครแต่พระมาซื้อผ้าถุงนี่แม่ค้ามองมองอเเมองกล่ารว่าวันนี้ด่าครบชุดเลยนะ อ, อย่างนั้นเลยนะแล้วอาจารยทอาจารย์ทำไงนี่น เป็นพระเป็นเจ้ามาซื้อผ้าถุงให้ผู้หญิงอมันเหมาะหรือเปล่าเนี่ยโอ้เนี่ยไหมครับป๋าเปิดฉากโอ้ยแม่คะาเขาเขาเปิดฉากอาตมาเลยนะปะฉะด่าเลยครับ้านเขาบอกใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวอาตมาซื้อไปให้โยมแม่เนี่ยจะถึงวันแม่แล้วพอรู้ว่าโยมแม่อูน้ำตาแม่ค้าไหลเพาะเพาะเพะอ้ยสาธุถ้าโยมมีลูกอย่างนั้นนะโยมก็ไม่ได้มานั่งขายผ้าถุงอยู่นี่หรอกโอยโยมร้องไห้ อาตมาไปซื้อผืนเดียวแม่ค้าซึ้งแถมสามผืนเลยซื้อหนึ่งแถมสามจริงพอนก็เป็นภาพพินใจมากแล้วก็อาตมาคิดว่าประทับใจเพราะในวันสุดท้ายที่โยมแม่ของอาตมาภาพสิ้นโยมแม่เนี่ยท่านท่านสิ้นในวันที่ท่านสิ้นเน่ยท่านได้สวมพระถงที่อาตมาซื้อให้อาตมาภาพคิดว่าถึงแม้เราไม่ได้อยู่เลี้ยงกายท่านแต่ชุดสุดท้ายที่โยมแม่สวมใส่ในการเดินทางไปสู่สัมปรยภพโลกหน้าก็เป็นชุดที่อย่างน้อยพระลูกชายเคยซื้อให้แม่ครับ ก็เป็นความภูมิใจที่ลูกได้ทําให้แม่ก uh> ็ประทับใจแล้วก um ็อยากฝากถึงล um um um ูกลูกทั้งหลายว่ามารดายังมีชีวิตอยู่นั่นคือโชคดีของคุณแต่โชคร้ายก็คือถ้าคุณยังไม่เคยกอาท่านนั่นคือโชคร้ายเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแม่อยู่ก็ขอให้กลับไปกราบไปดูแลท่านซะแล้วก็ฝากทิ้งท้าไว้ว่ากราบพระหมื่นองค์แสนองแต่หากไม่เคยกราบพ่อกราบแม่ก็เท่ากับว่าไม่มีคุณค่าอะไรเลยครับผมพระอาจารย์ครับผมมีอยาก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 มากนะฮะอันนี้ผมเข้าใจแล้วความหมายคืออะไรผมเชื่อคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะเข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่เมื่อกี้ลุงพี่บอกว่าเวลาเขาชมเขาชมแม่คนนั้นวด่าก็ด่าแม่คนนั้นชี้นี่ชี้ชี้คนชมชี้คุณามาไม่ห่วงแ้ก็ถึงว่าจิตใจบวกเบิกบานจริงๆนวันนี้ยอดจรงิรจรงๆครับวันนี้นต้องกราบขอบคุณอาจารอีกครั้งหนึ่งนะครับ เอาละครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมพ่ฮาร์และพระาจาร์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะบาลีก็ไม่ถึงประเด็นเ้าแต่แค่ชั้นป ร, เริเด็นทํสามประโยค